เก็บตกเช้านี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์สเพยระทั่วไปสมัยที่อรรมาบุตรใหม่ตอนนั้นประมาณปีสี่ห้าช่วงเดือนธันวาช่วงนั้นที่วัดเนี่ยกำลังเดินธรรมญาตาเลยอรรมาบุตวันแรกก็ต้องนําสวดมนต์แล้วก็ไปสารหน้าก็ต้องให้พรโยมต้องไปทีสังขารโยด้วยมีประวัติที่ไม่เหมือนคนอื่นในวัดนี้เพราะว่าวันแรกทําต้องทํา ง, งานเองเลย เพราะว่าในวัดไม่มีพระเลยมีอาตมาอยู่คนเดียวก็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดเราสวดมนต์ได้เป็นอะไรจะเกิดขึ้นคือถ้าเป็นอยู่แล้วได้มีประโยชน์ได้ไปใช้ใช้เลยสมัยตอนที่อามาเป็นโยมที่เคยบวชที่วัดโชบาทานเมื่อปี39ตอนนั้นถ้าใครบวชวัดชนเนี่ยช่วงเข้าภาษาจะต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแปลให้ได้ประมาณ20หน้าเขาให้เวลา20ิวันจะต้องให คนที่มสมัครบวชเนี่ยไปท่องให้ได้ถ้าสวดไม่ได้จะไม่บวชให้ยี่สิบวัน20บหน้าก็ถือว่าต้องหายให้ได้วันละหน้าถ้าใครไม่ตั้งใจบวชจริงเนี่ยจะไม่มีทางสวดได้เลยอัตมาก็ก็ต้องมาหัดอะแต่ตอนนั้นรู้สึกเรายังหนุ่มอยู่แล้วก็หัดไม่กี่วันก็ได้แล้ะคนหนุ่มนี่สมองอยังดีอยู่เดี๋ยวนี่แก่แล้วถ้าเกิดหัดแบบนั้นคงไม่ได้อะยี่สบวันยีบหน้าแล้วก็ไปสอบแล้วก็สอบได้เสร็จแล้วก็ต้อง ไปหัดท่องฐานหน้าให้ได้อีกเจ็ดวันถ้าท่องขานหน้าเองไม่ได้ก็ไปบวชให้อีกเรื่องเกี่ยวกับศีลคําขอบวชอะไรเงี้ยเราก็ไปท่องมาแล้วก็เ้องมาสอบก็สอบได้จะต่างกับนาคที่บวชวัดป่าสวกโตซึ่งง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรที่ง่ายเนี่ยเราก็ไม่เป็ี่นผมไม่เป็นปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เราจะเห็นความยากความยากลําบากของการฝึกพอเรามาบวชอีกพอบวชใหม่อันน่าบวชเรางพ่อมันเขียน มาถึงวันแรกก็ใช้งานได้เลยสมัยนั้นพระน้อยมากนะอย่างตัวผู้พูดบวชบวชมาถึงจนถึงบัดนี้เนี่ยสิบแปดพรรษาเนี่ยไม่เคยนั่งหลังแถวหลังเลยเชื่อไหมสถิตแบบอยู่แถวหน้าตลอดเพราะไม่มีพระสมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวี่พรรษาพรรษาแปดภาษาเก้าอยู่้วนั่ง น, นั่งแถวสองเลยสมัยสมัยก่อนภาษาไม่มีพรรษาอยู่แถวแรกก่อนพระน้อยมีวิ่หิรูปเองอยู่กันจนเหงาอะ่ะ เรื่องสวดมนต์อย่างธรรมะเช้าเนี่ยมันจะมีบทที่น่าสนใจอยู่หลายบทอันนันไปถามผู้รู้นะเขาหลายคนเขาก็ฟันธงเลยนะอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกอันนี้คือหัวใจของธรรมะเลยของบทสวดมนต์เลยนะเพราะว่าบทบทสังเวเนี่ยมันจะมีพันธนาถึง ความแก่ความเจ็บความตายการทัดภาคจะของรักของชอบใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยคือความทุกข์ต่างๆเนี่ยเราเกิดขึ้นแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนไม่มีใครหนีพ้นแต่ความทุกข์เนี่ยมันก็แฝงมาด้วยความยึดถือยึดถือในรูปในนามในขันห้าแต่ถ้าเรา เขาใจธรรมบ้านเราไม่ยึดถือเนี่ยความทุกขเราก็น้อยลงหรือถ้าจะหายไปเลยนะถ้าเราไม่ยึดในรูปในนามหรือขันห้าเนี่ยอันนี้คือคือประโยชน์จากการสวดมนต์แล้วก็มีหลายบทอย่างที่ธรรมาชอบเลคือบทอภินทราบจัวเวกบทนี้เป็นบทที่รักมากถ้าธรรมานนำสวดมนต์เนี่ยจะนำสวดบ่อยอภินทราบจัวเวกเนี่ยจะเป็นจะมีข้อสอนใจหลายเรื่องแล้วก็บทพระเทกรา ศีลคณาเนี่ก็อาตมาก็ชอบแล้วก็ที่ชอบอีกบทหนึ่งก็คือที่สวดบ่อยก็คือปัจฉิมพุทโธวาทแต่ถ้าเป็นคนอื่นนามก็าจะสวดบทอื่นนะเพราะคนเราใจไม่ตรงกันบางคนก็ชอบนัตตาบางคนชอบนิพพานบางคนก็ไปชอบพวกสติปัฏฐานอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบยิงถ้าเป็นธรรมยุทธเนี่ยธรรมยุทธหรือสายวัดป่ายิงเขาจะชอบบทอะไรนี่ไ อ, ไ อ, อยังโขเมกาโย ο, กายของเรานี่แหละ ทางปฐาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตต า, าเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปคือคือเราก็เกสารวมาหนาข า, าตาลาโจเนี่ยคือให้พิจารณาผมโผเล็ดฟันหนังตับใจไสู้มิต่างๆให้เห็นความสกปรกจุดประสงค์ก็จริงๆก็เพื่อลดละกามเพราะว่าพระเนี่ยถ้าเป็นพระป่าจะเน้นเลยเน้นเรื่องการเป็นหลักเน้นสมาธิแล้วก็เน้นเรื่องการให้ล่าให้ได้ พราถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราก็จะมีความกหนัดโดยธรรมชาติบ้างก็ต้องอดอาหารนะบางคนกามแรงก็ต้องอดอาหารเพื่อร่างกายอ่อนเพียจะได้ไม่มีแรงคิดเรื่องกามอะไรเงี้ยไปดูบายครูบาอาจารย์ท่านว่าหนงพงก็เหมือนกันว่าหนงพงอ่ะ ม, มาเคยไปตอนเป็นโยมนะก็จะเน้นบทนี้เป็นหลักเลยเช้าเย็นเป็นบทหลักของเขาแต่พออยู่สวนโมกสวนโมกบทหลักกลายเป็นบทปัะชิมเพราะาปัะชิมเนี่ยจะสวด ทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นบทปิดท้ายตอนที่มาฉันอาหารเช้าเนี่ยที่นุ่นมีอุบายนะเขาจะไม่ให้โยมคุยกันก็ใช้แม่ชีเนี่ยสวดมนต์ธรรมบเช้าให้พระฟังและพระก็ต้องฉานตามที่แม่ชีสวดนั่นแหละพอถ้าพอถึงบทปัจชิมพุทโธวาสเนี่ยต้องต้องรีบเลิ ก, ก น, นะพอถือว่าได้เวลาแล้วแม่ชีจะสวดเป็นพระเลยประมาณครึ่งชั่วโมงพอสวดเสร็จ ก็กว่าังตอนเช้าถ้าเรายังฉันไม่เสร็จเนี่ยงคนรื่นก็จะรอเราไงคือมีเวลาฉันหึ่งครึ่งชั่วโมงอันนี้วันแล้ววันเล่าเคยใช้ชีวิตแบบนี้อันมาติดติดส่วนบนไปจากส่วนโมกนะเพราะที่นู่นเนี่ยเวลาให้พรเนี่ยเขาจะให้พรสัปพีสามรอบแล้วก็มาอายุวัตโกซึ่งว่าป่าสุกโตจะไม่มีใครให้พอาันมาตอนถ้าอันมามีโอกาสพูดฉันเช้าสาราหน้าเนี่ยอันมาก็จะจะให้พรบทเนี้ยให้เ้ืองลาแล้ว เขาอีกก็ไม่ได้ให้กัหรอกอายุวัตโกจนตอนหลังคนก็ให้ตามเงินหลายคนแล้วก็มาไปสังขายโยที่สวนโมกให้พรเป็นบาลีไม่แปลนะแต่ตอนไปสังขารโยกับแปรเพื่อโยมเนี่ยรู้ความหมายอ่ะการสูดบนแปรเนี่ยรู้ความหมายมันก็มีข้อดีนะทาให้เกิดปัญญาทำใรู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ข้อเสียก็มีเหมืนกันสําหรับพวกที่ชอบเรื่องลิศชอบเรื่องความขังสักติดเนี่ยพอแปรปุ๊บฝาสักติ์หายหมดเลย อย่างบางบทเนี่ยที่เราสวดเนี่ยพวกเกจิอาจารย์เขาไปปลูกเสกพระแต่เรามาสวดเป็ น, บ, นบทธรรมดาธรรมดาไปก็มีเ้นสายเกจิส่วนมากเจอบทจะไม่แปะเพราะสวดไหลลื่นและดูแขังกว่าแต่แปะเนี่ยมันมีประโยชน์ไงทําให้เกิดปัญญาอย่างหลวงพ่อปัญญาจะเน้นให้คนมาวัดจะเกิดปัญญาอย่างเมื่อก่อนอารามาก็ ทุกวัอาทิตย์ถ้าว่างอัมาก็จะไปวัดโชว์ประทานนั่นแหละไปฟังธรรมจากหลวงพ่อปัญญาก่อนที่หลวงพ่อปัญญาจะพูดธรรมะถ้ายืนพูดนะไม่ได้นั่งพูดหรอกพิธีตองไม่เยอะแต่ก็จะให้โยมเนี่ยสวดมนต์ธรรมะเช้าก่อนสวดมนต์ธรรมชเช้าเสร็จเน่ะก็จะมีบทพิธสังขารเนี่ยอยุแต่โยมคนนําสวดช้ามากเลยลนะ่ะแบบสัพเพสังขารอนิจจาแล้วก็เอื้อนด้วยนะให้อินกับอารมณนะ์ไง สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอันนี้เป็นการที่เข้าถึงอารมณ์คนที่สวดเนี่ยก็จะพิจารณาไปแล้วพอกวดน้ำตอนเช้าเสร็จหลวงพ่อัญาเขาจะมาพูดประถาธรรม มาแส่งธรรมให้ฟังอานามาก็พาแม่ไปฟังบ่อยเมื่อก่อนมาสวนแก้วด้วยก็เลยมักคุ้นกับพระหรือมินิสัยชาววัดตั้งแต่ไปโยมแล้วอย่างบางบอานมาก็หัดหัดเองตั้งแต่ยังไม่บวชนะอย่างไม่เป็นชินบัญชรสเนี่ย ส, ส่วนมากบทบทที่แม่แปะจะชอบฉินบรรจรที่สุดเลยบทอื่นถือเป็นเรื่องรองๆมาพาหูเนี่ยอามาก็สวดได้ตั้งแต่ไปโยมแล้วไม่ได้มาหัดต่อไปพระหรอกสวดมนต์ทำว่าเช้าเย็นแปะก็เป็นเนื้อเป็นโยม พอเป็นพระตัวหลังเมื่อค่อยหัดหัดไม่กี่บทเองก็ยังหัดไม่ค่อยได้เลยพออายุเอิมเยอะเนี่ยความจำก็ชักไม่ค่อยดีแล้วอาศัยของเก่าพออย่างอย่าสวดมน อ, อายุวัตโกเนี่ยเรามาก็เลยมีความนึกถึง เ, งเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสนุกสนุกมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าโกวันหนึ่งแกก็นิมนต์พระ มาทําบุญฉันเพลนแขกเหลือก็มากมากมายเลยแกก็ต้อนรับมีเพื่อนแกคนหนึ่งชื่อว่าตะแป๊ะตะแปะนี่ก็มาจากเมืองจีนนั่นแหละก็มาค้าขายแถวนั้นถ้ายมนึกภาพก็นึนกถึงข้าวไฟหวานนี่ละกันจะคล้ายๆกันกับที่อาณาเล่าอะ่ะอาจจะเป็นร้านจงร้านเจ๊กอะไรพวกนี้นที่มีตะแปะผู้ใหญ่โกหลังจากพาฉันเพลนเสร็จก็ให้พรพาก็ให้พร อายุวัตถากาวัฒนาวทตกวสิลิวัตถากยาสวัตถากว่ลาวัตถากวาวัวัตถากตาแป๊ะที่ฟังอยู่แล้วโอ้โหหัวใจเต้นตุ้มเลยนึกไม่ถึงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้พระจะให้พรขนัดนี้เฉลอมีการใส่ชื่อลงไปด้วยอย่างนี้คงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้บุญมากแน่นอนเลยตาแป๊ะปลื้มใจมากหลังจาก งานเลิกจึงบอกผู้ใหญ่โกบอกให้เป็นที่มนพาชุดนี้ให้ได้นะแกทำบูดบ้านบ้างชุดอื่นไม่เอานะขอชุดที่ชุดเดียวผู้ใหญ่โกก็จัดให้แล้วแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงตาแปะก็ต้อนรับขับสู้แขกเรือหน้าตายิ้มแยม้มฮอาๆ อ, อดีใจตลอดแต่วันที่แกตั้งหน้าตารอคือตอนให้พอเนี่ยแหละจากพะฉันเสร็จแล้วพาก็ให้พร อายุวัตถ า, ากุวัฒนาตถากุวิลิวัตถากุย า, าวัตถากุพลาวัตถากุตอนแรกตาแป๊ะมีความสุขตอนนี้ตะแป๊ะเครียดเลยเพราะว่าไมไ่เป็นดังที่แกหวังไงคิดว่าเอ้คงพระเนี่ยคงจำชื่อผิดนะไม่รู้ชื่อแกดันนดันไปเอ่ยชื่อผู้ใหญ่โกอีกเคยตะโกนบอกพระพระว่าชื่อแป๊ะนะไม่ชื่อโกพระที่นําที่สวดมนต์อยู่เดีย๋ยรู้ว่าตาแป๊ะต้องการอะไรถึงสะ ก, กิด คนนาเป็นนันว่ารู้กันจําเป็นต้องสวดนมนเอาใจเจ้าภาพคนนำจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นอายุวัฒน์ท่แปะธนวัฒน์ท่แปะสิริวัฒน์ท่แปะตอนเนี้แปะท่ะแปะได้หัวล็อกากากเลยมีความสุขตอนแรกผิดหวังตอนนี้มีความสุขแล้วเพราะว่าพระํ า, ามใจเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะว่าคนเราเข้าใจเลยผิดผิดเนี่ยเข้าใจเลอกสวดมนต์ผิดเข้าใจความรู้ทางพระพุทธศาสนาผิดเนี่ยบางทีก็ อาจจะเป็นแบบตะแเปก็ได้ที่ว่าเข้าใจเรื่องผิดเรื่องการให้พรมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันอผมก็นํามาเล่าบ่อยแต่ในที่นี้มีคนใหม่เยอะถือว่าคนเคยเล่าก็ฟังซ้ํำก็แล้วกันนะที่บ้านหลังหนึ่งก็มีการทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดห้าสิบปีของคุณนายโตแกเป็นมียในตํารวจใหญ่พาที่มาก็เป็นพาที่มาคุ้นกันแหละมีพักครูแล้วก็ลูกวัดเพราะจะต้องมาบิณฑบาต ผาหน้าบ้านกันทุกวันแกก็ใส่บาตรทุกวันคุณนายโตเนี่ยเป็นคนที่ทําใจดีใจบูรสุนทการ น, นะแต่เป็นคนที่เจ้าอารมณ์และเป็นคนล้าเหตุผลสิ้นดีเลยชอบคนชมเอากอกใจใคไขัดใจไม่ได้แกก็ไปพูดคุยกับพระครูที่มัคครูเนี่ยอย่างดีเลยหลังจากทานาหารเพจเสร็จแล้วพักครูก็ให้พร ยาถาวิวหาปุลาปรลิปุลเณติสาขลังเอวะเมวะอีโตทินังคือพระครูเรื่อ้อีโตดานะหน่อยคุณนายโตเนีย่ยพอฟังว่าอิโตเนีย่ยแต่เฟียงไอที่กวนน้ำทิ้งเลยตะโกนว่าพระครู มาเรียกอีโต้ได้งไงเมื่อกี้ยังเรียกคุณนายอยู่เลยรับไม่ได้นะไม่ให้เกียดกันแล้วแกก็สะบัดหน้าเดินไปเลยทําให้พระครูงงไม่มีสิแก้ตัวใดทั้งสิน้นแกเลิกคบแล้วตอนนี้คนแบบคุณนายโตก็มีนะพอวันเกิดปีต่อมาแกก็ไปหาเจ้าคุณที่ที่วัดอยู่ไกลอะ่ะเจ้าคุณก็ถามว่าเอ้าทํา ำ, ำไมคุณนายไม่นี่หมือนพระครูที่อยู่ ใ, ใกล้ๆอะ่ะแกก็เล่าใฟังผม คุณไม่ไหวเลยตอนยังไม่ฉันเรียกคุณนายพอฉันเสร็จแล้วเรียกอิโตไม่เกียจกันเลยฉันเลิกคบแล้วเจ้าคุณก็เลยทราบว่าโอ้คุณนายโตหมายถึงอะไรแล้ววันที่เราคอยก็มาถึงหลังจากเจ้าคุณฉันเพงเสร็จก็ให้พรคุณนายโตก็ตั้งใจรับพร ยาถาวารีวหาปูลาปริปุเลติสาขลังเอวะเมวะคุณนายโตทินังเปตานังอุปกปฏิคุณนายโตชอบใจบอกอมันต้องอย่างนี้เรื่องนี้ก็จบแต่ก็มีแง่คิดนะว่าคนเราบางทีทำอะไรตามใจตัวเองจนไม่รู้ว่าพิธีตองต่างๆนะ่มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท้าเป็นอย่างนี้ไงแล้วทีอาจจะผิดหวังแบบคุณนายโตก็ได้หรือตะแเปะก็ได้ ถ้าเขาไม่ทาให้เราสมหวังเราก็ต้องผิดหวังแล้หละบุสวดมตเนี่ยอภินันทบัจเวกอย่างทั้งก่อนอามาก็พูดเรื่องความแก่เศรษฐาบจากความแก่อย่างตัวอามาเนี่ยเป็นคนที่รุ่นเก่าจะชอบพวกนักร้องเก่าชอบดาราหนังเก่าเก่าไอชอบนักร้องเก่าเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะนักร้องเก่าจะร้องเพลงเพราะไมวจะเป็นชลินสุเทพหรือหม่อมราชวงศ์ทัดสีมองปิดา หรือการกระสุพันธ์หรืออีกหลายคนเนี่ยผมจะไปโลดจนนำมาจำชื่อไม่ระพิได้เยอะมารู้จักนัลลโอเก่าเนี่ยชอบมากนัลลโอใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เราก็ไม่เคยฟังด้วยแต่เพื่อนนัลลโอเก่าเนี่ยมันต้องมีความแก่ไงพอตอนหลังถ้าเราไปดูปกที่เขาลงใน y ยูทูบเนี่ยเขาจะลงตอนรูปเป็นหนุ่มๆแคล่ลลละไม่มีใครลงไปตอนตอ น, ตอนนี้หรอกถ้าดูตอนนี้งอมเลยละ่ะดูแทบไม่ได้เลยหลายคนก็ตายไป ทยอยกันตายไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นสายยานยอดรักคนที่ดาราชอบตายหมดแล้วเหลือไม่กี่คนเองตอนเนี้ดูเ ก, ก่าดาราก็เหมือนกันดาราดาราชอบดูหนังชอบาเดอร์นะสมัยก่อนนะเพราะชอบาเดอร์เนี่ยเราโตทันยุคหนังกลางแปลงนะเวลาหนังก็แปลมาฉายที่บ้านเนะี่ยก็จะเป็นหนังส่วนใหญ่จะเป็นหนังจีนสองเรื่องควบดีชอบาเดอร์ไงทาให้เอกหนังไทยก็ทีกสมบัติเดี๋ยวนี้สมบัติอายุ83แล้วแก่งหงอมแล้ว มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดาราหนังจีนชอบัเดอร์ก็ตายไปก็เยอะไม่จะเป็นอลอรี่เยี่ยหัวตอนที่คนที่พิชิตอยู่ก็หล่อ ม, มากเลยไม่จะหวังอยู่ที่หลุ่งเลยพวกเนี้ยถ้าไปดูตอนนี้นะหน้าตาดูแทบไม่ได้เลยไม่สามไม่เหลือความหล่อของอดีตล้ะดาราฝรั่งอันนา้ก็ชอบพวกคินทิตวูดพวกอะไรชอนแคลรี่อะไรพวกนี้ยหลายคนก็งอมหมดแล้วคือเอ้เราก็ชอบเหมือนชาวบ้านก็ชาวบ้านก็ชอบปัจจุบันไง อโ น, น่เงี้ยซินเวเตอร์เงี้ยมาชอบดาราสมัยก่อนนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็แก่งหอบบ้างก็ตายไปก็มีเดี๋ยวนี้พวกคินทีบูธพวกไอปาชิโน่อะไรพนวะกเนี้ยก็โหหงอมหมดแล้วโรเบิร์ตอะไรพวกเนี้ยบางทีก็ทําให้เราเห็นคามเปลี่ยนแปลงเขาสังขารได้ง่ายถรับพินานะเกี่ยวความแก่งเนะี้ยความหนุ่มฟวามสาวความหล่ อ, อสวยเนะี่ยมันอยู่กับเราไม่นานหรอกอยู่แป๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปบางคนสวยโอ้โหพอตอนหลัง ว่วนเป็นพระโล่ก็มีบางคนก็ไปทําศัลปกรรมหน้าตาเละเทะก็มีนั้นเราก็ต้องพอใจสิ่งที่เรามีอยู่แหละความสุขมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวอยู่ที่จิตใจนะจิตใจยอมรับร่างกายเราได้อะแล้วก็อยู่ไม่ขัดแยง้งมีความสุขได้อยู่บทอภิษฎเจกปัญจะเวกมันไม่จบแค่นั้นนะมันจะมีเรื่องให้พิจารณาความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ควาเจ็บไข้หรือความป่วยเนี่ยบางคนก็ไม่พิจารณาเราป่วยเราก็ไม่รู้เราป่วยนะมีหลายคนไี้มารู้จักเนี่ยกินเหล้ากินเหล้าตั้งหลายสิบปีจนหวานเนี่ยขึ้นตาตาเกือบบอดอะ่ะไปหาหมอหมอบอกห้ามกินเหล้านะถ้ากินเหล้าตางบอดกลายอมเชื่อนะหรือคนดุบบุหรี่บางคนดุบบุหรี่บางทีก็ไอแคคแคคกินปากก็เหม็นอะไรเงี้ย ติดบุหรี่มากเนี้ยแล้วก็ไม่เลิกนะพอถึงวันหนึง่งหมอตรวจว่าเป็นมะเรง็งเป็นโรกปอดตอนนี้เริ่มกลัวตายแล้วถึงยอมเลิกบางทีเชื่อหมอมีหลายคนเพราะมันทําไปแล้วมันติดแหละมันเลิกไม่ได้ังนั้นพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นกรรมเป็นเวรบางคนก็ไม่ยอมหาหมอนะเพราะถ้าหมอตรวจว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยเราย้งทุกเราต้องทุกไนงะแล้วใช้ชีวิตไม่ปกติไนงะอย่างถ้าไปตรวจเจอเบาหวานเอาหมอก็สั่งแล้ว ห, น ห, นห้ามกินนู่นห้ามกินนี่สมมุติเราเป็นโรคเ ก, กาเอา้าหมอก็ต้องสั่งแล้วอย่า ก, กินไก่นะอย่า ก, กินสัตว์ปีกนะอย่า ก, กินเครื่องในนะอย่า ก, กินพวกยอดผักนะสะตงสะตออะไรพวกนะี้ยมันมีกรดยูริสูงอัตมาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นโรคเ ก, กาแนะ้วหละเพราะชอบกินพวกกะปิชอบกินพวกของดองชอบกินหนลายหลายอย่างตามใจตัวเองอะสัตว์ปีกด้วยทั้งเป็ดทั้งไก่อะไรสรารพัดพอพอถูกหมอสั่งเนี่ย มันเลิกกินเลยหลายปีแล้วพวกไก่เดี๋ยวนี้ไก่ไม่กินฉัดปีกไม่กินสตอก็อาจจะมีเผิรนิดหน่อยหนอ่อไม้แต่ไม่เยอะแล้วก็มีเรื่องผลไม้าบางอย่างแล้วก็ผักอะไรเงี้ยทําให้ระวังขึ้นใหม่ก็ฝืนนะตอนหลังมันก็ชินแล้วตอนหลังเกขาก็ไม่มาเยือนนานแล้วเนี่ยเพราะเราระวงนะังเรื่องอาหารการกินไงแต่ก็มีหลายคนที่เขาไม่ยอมไปหาหมอเพื่อตรวจคือรับไม่ได้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องหมอสั่งห้ามรู้ทำนี่ไงนะ แต่มันมีข้อเสียนะถ้าเป็นเป็นหนักเลยนะเป็นเป็นมาถึงระยะสุดท้ายฉากชีวิตเลยแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้กับดีกว่ไม่รู้เราจะเจ็บปวดตอนแรกเจ็บปวดตรงที่ว่าหมอห้ามอาจจะดูแลสุขภาพแต่ก็ทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างที่ดีขึ้นแต่ดีคนไม่แก้คนไม่แก้ดีถ้าเป็นก็เป็นระยะสุดท้ายแก้ไม่ได้ละตายแต่ฐานเดียว ธรรมะก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยอย่างถ้าเรารู้ธรรมะรู้ว่าไ อ, อ้นนี้ไม่เที่ยงนะไอ้ น, นี่เป็นทุกข์นะเรารู้ว่าสิ่งนี้ทุกข์เนี่ยเราไม่หลอกตัวเองคนเราจะหนีตัวเองไพอรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันก็ไม่หนีไปดูหนังฟังเพลงหนีอารมณ์เหงาก็ไปหาคนคุยแล้วสักวันหนึ่งมันก็อยู่ตัวเองไม่ได้เจอความทุกข์บีบคัน้นต่างๆเนี่ยบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะหนีอารมณ์ แต่และคนฝึกฝนตัวเองยอมอยู่กับความทุกข์ยอมอยู่กับความเจ็บปวดยอมอยู่กับความเหงาถึงวันเวลาวันหนึ่งก็อยู่กับความทุกข์ได้ก็สบายหรือเรื่อง ก, การกินต่างๆก็เหมือนกันเพราะว่าเรานะปรับตัวได้ดนั้นคนที่ฝึกฝนตัวเองจะได้เปรียบคนที่ฝึกคนที่ฝึกเนี่ยเจออะไรก็มีแตเป็นปัญหาหมดและมีชายมอยู่คนหนึ่งแต่ไปหาปรึกษาก็บมอที่คินีก แค่บอกไม่มีปัญหาหรอกหมอได้ยินไหมว่าผมเนี่ยผายลมตั้งหลายรอบแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นเนี่ยแต่ผมรำคาญมันจังเลยวันหนึ่งต้องผายลมวันหนึ่งหลายรอบหมอก็นั่งหน้าแบบหน้าหน้าตามหมออธิบายยากก็รับฟังอะ่ะชายหนุ่มก็พูดต่อไปแหละพูดไปจนจนเหนื่อยหมอก็หยิบยามาแล้วเขียนใบสั่ง บอกนี่คุณเอายาไปทานทานหมดแล้วก็มาหาหมอใหม่นะผ่านไปอาทิตย์หนึง่งชายหนุ่มคนนี้ก็เข้ามาวอยเลยหมอเอายาให้ผมกินเนี่ยผมเนี่ยเวลาผายลมเห็นมากเลยเนีย่ยเมื่อก่อนไม่เหม็นนะหมอก็หัวเราะชอบใจบอกเนี่ยการรักษาประสบความสเร็จไปครึ่งละเหลือครึ่งหนึ่งไปรักษาการได้ยินเพราะไอ้าชายคนเนี้มีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วก็การดมกลิ่นไงมีปัญหาทั้งจมูกทั้งหูอไงคือไม่รู้ตัวไง คิดวตัวเองตดแล้วไม่เหม็นแล้วไม่มีเสียงไะแต่ที่จริงทั้งเหม็นต้องมีเสียงนั่นแหละก็มีหลายคนอยู่กับความทุกข์เหมือนชายคนนี้แต่ไม่รู้ตัวเองทุกขนะ์ไงอย่างคนที่ทํางานตามปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะแต่ที่ความเคยชินกลิ่นแล้วก็จะกลิ่นแล้วก็จะไม่เหม็นนะหรือคนที่อยู่โรงแรมตํารวจอาณาเคยเข้าไปนะมีศพอยู่เต็มเลยศพแก้ผ้าไม่เจนผู้หญิงผู้ชายและเด็ก บ้างก็ตายสยองโดฆ่าตายบ้านก็ตายแบบศพสวยก็เห็นไอ้คนเฝ้าเนี่ยมันก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆศพไปและเป็นเรื่องปกติที่จิมก็มีกลิ่นเหม็นอยู่นะแต่ด้วยความที่เขาเขาคุ้นไงเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เหม็นหรือคนเก็บขยะเนี่ยคนเก็บขยะที่อยู่รถขยะเทศบาลน่ะถ้ารถขยะมาเราจะรู้สึกโอ้กลิ่นมันเหม็นมากเลยเนแต่คนที่อยู่กับรถขยะนานมันชินจมูกแล้วมันจะรู้สึกว่ไม่เหม็น ฝากรุกก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ฝากรุกกันานหรืออยู่กับฝุ่นละอองอยู่กับอาชี่เหม็นๆนะี่รลางกายปรับตัวได้มันก็เป็นเฟอธรรมดาไม่เหม็นแต่มันมีโทษภัยระยะยาวแฝงอยู่ซึ่งเราต้องรักษาไงดังั้นคนรักษาได้บางทีก็ต้องให้เพื่อนบอกอย่างบางคนบุคลิกภาพไม่ดีเดินเอียงมั่งหรืออะไรมีปัญหาหลายอย่างต้องให้เพื่อนชี้แนะเหมือนกันบางคนอาจจะปากเหม็นคือไม่รู้ตัวตัวเองปากเหม็นต้องให้เพื่อนบอกเอ้ยเอกปากเหม็นนะ รู้จักแปลงฟันมาหลา ย, ลา ย, ลายรอบน่อยหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะ่ะแต่บางคนก็ไม่กล้าบอกนะบอกเป็นโกรธนะบางทีบางอย่างคว า, ามจริงมันเจ็บปวดบอกไม่ได้แต่บอกได้ปุ๊บเพื่อนสนิทพอบอกปุ๊บนเปลี่ยนเลยหรือทําอะไรที่ผิดเนี่ยพอเพื่อนชี้แนะหรือคนรู้จักกันะไรบอกก็เปลี่ยนได้แต่บางคนเน่ยกลัวกลัวเป็นโกรธกลัวโดนโกรธไงก็เลยไม่บอกไอ้เจ้านี้ก็รับกรรมต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลไม่ใช่เป็นใครก็ตาม คือเราจะไม่เห็นจุดบกพร่องตัวเองหรอกบคนอื่นต้องมาเห็นให้เราไงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะซ้ำแต่เราคิดว่าเราดีกินอะไข้าข้างตัวเองอย่างบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราพิจารณาเป็นเนี่ยเราได้ประโยชน์นะพิจารณาความแก่ความเจ็บเอาความตายความตายเนี่ยพอเรารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องตายแล้วบางคนอยากดิ้นรนหากินในโลกเนี่ยโอ้โหพยายามไปปักหลักสร้างฐานอะไรเงี้ยเอาเข้าจริงพอความตายมาถึงของที่ทออําเป็นคนให้กหมดเลย ตัวเองไม่ได้ใช้ก็มีชีวิตนี้หาทั้งชีวิตแล้วก็ทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้อพัดภาคจากของรักของขับใจเนี่ยมันก็กระตุกให้เราเนี่ยเข้าใจสัตธรรมไงมให้ปล่อยวางบ้างแล้วเราก็ทําความดีรู้ให้ทําให้ดีเดี๋ยวก็ต้องรับกรรมที่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยท่านบุญสวดมนต์จึงมีค่าสอนจิตใจเราอีกหลายเรื่องถ้าเราพิจารณานะได้ประโยชน์อยากก่างกระลามาสูตรเทียนมาสวดเนี่ยเบอรค์ครูเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณ์ดีนะ เราก็จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ก่อนเพราะอาจารย์ที่พูดธรรมะเดี๋ยบางทีก็พูดตามที่ตัวเองชอบไงอาจารย์ที่พูดชอบเรื่องฤทธิ์ก็จะพูดเรื่องฤทธิ์อาจารย์คนไหนชอบเรื่องกรรมเรื่องเวรก็จะพูดเรื่องกรรมเรื่องเวรอาจารย์คนไหนชอบสมาธิก็จะสอนเรื่องสมาธิแต่ละคนจะสอนในเรื่องที่ตัวเองชอบหรือหรือสอนที่ตัวเองรู้มาแต่ที่มีความรู้มันกว้างโอ้โหมันบางทีเรียนรู้ไม่หมดหรอกถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่เชื่ออาจารย์ง่ายๆ ที่อาจารย์จำมาผิดก็มีอย่างเงี้ยเราก็ต้อพิจารณาเฮ้ยอาจารย์พูดได้ใช่หรือเปล่าอย่างอย่างตัวอัลบาเนี่ยเชื่ออะไรเราพิสูจน์ก่อนว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมเออเอันดับทุกได้จริงแล้วสิ่งนั้นมันทําได้ผลอย่างเงี้ยเป็นศัจธรรมกลามาสูตรไงต้องพิสูจน์เราก็ทําเชื่อเลยไม่ได้พูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขออนุญาตยโยมเจริญได้ทํายิ่งขึ้นไปเอวัง